ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่รวมพระพุทธญาณกำลังเสนอเรื่องอุเบกขาบารมีก่อนก่อนก็ได้พูดถึงกรอบขอบข่ายของอุเบกขาที่ท่านนิยามไว้ก็โดยอุปมาให้เห็นว่าคือไม่หวั่นไหวคือไม่ยินดียินร้ายแบบดิน ซึ่งเราอาจจะน้ำก็ได้ลมก็ได้ไฟก็ได้นะะพวกนี้ก็ไม่ยินดีด้วยกันแท้ๆโดยเหนว่าไฟก็พร้อมที่จะลุกไหม้สิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะสกปรกหรือสะอาดก็ตามหรือว่าน้ำก็พร้อมที่จะให้สิ่งเหล่านั้นตกลงไปโดยไม่มีความยินดียินด้ ว่าตรงนี้ท่านอุปมาเหมือนแผ่นดินอุปมาตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยเพื่อจะข่มใจตัวเองห้ามใจตัวเองเชนสอนพระให้ทําตัวเหมือนกับโคตรที่เขาบันหักคือไม่มีอะไรที่จะไปสู้รบปบมืออะไรกับใครพวกเขาบรนหักไปแล้วเพื่อไม่ให้คนบันดาลโทสะ แล้วก็รู้อำนาจแกโทสะไปประพฤติเปกระธรรมไปตามแรงหลักดานของโทสะในพิธามัตรสังกหะที่ว่าด้วยลักขณานิจตุกะทนนิยามุเบขาบ ร, รมีไว้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าธรรมะเวลาเขาพูดโดยโดยพิสดาในตามปกติเขาจะพูดแบบผสมกลมกลืนไปคือไม่ยกขึ้นมาอ้าง ตัวอ้างมันจะเป็นวิจารารแล้วก็ผู้ฟังจะสับสนที่จริงในความเป็นธรรมะมันจะมีลักษณะมันจะมีหน้าที่มันจะมีผลที่ปรากฏแล้วก็มินจะมีตัวกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดขึ้นจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ตามนะฮยานที่ขยายความไว้ในเมตตาจนเมตตาจริงๆก็คงทัางเดียวกับ โทสะเจอโทสะเจตสิกนะนะับุเบกขาบารมีนั้นท่านแสดงลักษณะไว้ว่างมีความเป็นไปในอาการเป็นกลางคือจิตมันเป็นกลางไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินไรไม่พอจไม่วีใจแล้วก็ไม่เสียใจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะฮะทำได้ยากมาก อย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนกับมีสัญชาตญาณดิบๆแล้วก็แก้ยากเหลือเกินคืออะไรคือวิหิงสากับริษยามันไปผูกพันกับการลาบยศสรรเสริญหรือเสริมลาบเสริมยศนิคาถุกของคนด่นแล้วตามปกติพอเจอในลักษณะนี้แล้วใจมันจะแกว่งไปในลักษณะนะั้น อุเบกขาคือจะมองในลนักษณะกลางกลางไม่เอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้าไปตัดสินริ่งเหล่านั้นก็เรียกว่ามองแบบภาวะวิสัยคือมองมองออกนอกพอเป็นเรื่องข้างนอกเป็นความรู้สึกต่อสิ่งข้างนอกที่มากระทบใจเราทำยังไงจะทำได้ ก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าโดยพื้นฐานจิตมนุษย์เราทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เคยได้สังเกตันั้นเองทํานองคล้ายๆกับใจรักนะฮะที่จริงเราอยู่กับเขาทุกวันและเราเห็นเขาแต่ว่ามันเป็นการเห็นในรูปของนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำใสเดือนไม่เห็นดินเช่นเราเลี้ยงไอศครีมคนเนอ้ารีบทานที่อะประเดี๋ยวจะเย็นประเดี๋ยวจะละลาย เอาไปเลี้ยงของร้อนๆบอกว่ารีบผ่านเทียบประเดี๋ยวของเจะเย็นนั่นคือแสดงถึงเรายอมรับกฎของความเลื่อนไหลไม่คงที่อของสิ่งทั้งหลายก็ได้แก่อนิจตตาของสิ่งทั้งหลายนั่นเองแต่ว่าพอรับแล้วมันมันเห็นแล้วมันเกิดโลภเห็นมาก็ารีบกินก็อร่อยก็แสดงว่าแทนที่กิเลสมันจะลดกิเลสมันเพิ่ม เราจึงถือว่าเป็นนกไป่เห็้าปราเมน่นน้าไส้เดือดเมนเห็นดินแต่เราก็อยู่กับเขานะแล้วลองสังเกตว่าธรรมะนี่มันอยู่กับเราตลอดเพียงแต่ว่าข้อใดเด่นขึ้นแต่นั่นเองทั้งกุศลหน้ากุศลทั้งกลา ง, ลางอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกอารมณ์ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเฉยๆนะ เมือม่อเราตั้งใจอารมณ์ส่วนใหญ่เราเจฉย ๆ, ๆคนเราเจอจํานวนมหาศาลเรารู้สึกรักชังไม่กี่คนนะแม้แต่รู้จักก็ยังไม่กี่คนเลยคนส่วนใหญ่เราไม่รู้จักบางคนตรวนั้นเรารู้สึกเฉยๆไม่ได้ยินดียินได้อะไรแต่ว่าประเด็นสําคัญของมนุษย์เนี่ย ถ้าเรามองในองค์ธรรมทางความรอดสังเกตนะเรื่องเรื่องศีลเนี่ยเรื่องการละเมิดศีลมันจะเกิดขึ้นด้วยความยินดียินร้ายแต่เราไม่เกิดยินดีหรือไม่ยินร้ายเนี่ยไม่มีการละเมิดศีลเนาะนะเช่นการฆ่าสัตว์เนี่ยมันฆ่าพระโกดหรือฆ่าเพระโลกได้ทั้งสองทางรักทรัพย์ในส่วนมากรักพระโลกรหรือบางทีรักพระโกด หรือว่าประพู้ปิในทางประเวณีเนี่ยก็เพราะโลกอย่างนเพยินดียินดีในคู่ครองของบุคคลอื่นหรือบางทีก็แก้แค้นก็แสดงยินได้โกหกส่วนใหญ่มันก็เพราะยินดีที่จะสแสวงหาประโยชน์จากคนอื่นหรือบางทีก็โกหกเพื่อทํำลายเขาก็กลายเป็นยินได้ ก็มีฐานของแต่เราพูดว่ารักชังนะะชอบไม่ชอบยินดียินได้แบบมันเป็นภาษาธรรมะไปหน่อยบางทีก็ไม่เกิดเข้าใจยินดีนะพอไววพอยินร้ายแล้วเราไม่ค่อยชอบคือคือใก้ๆไม่ค่อยคุ้นมันเหมือนกับคําว่าปวดทพราปวัทพราที่มากระทบกายเนี่ยพูดเท่าไรมันไม่เป็นภาษาไทยสักทีเนี่ยเวลานี้เลยเรียกเป็นสัมผัสเพระสัมผัสและเรียนองธรรมะเลยยุบหมดเลย เพราะสัมผัสต้ออีกขั้นตอนหนึ่งมันต้องผ่านวิญญาณไปก่อนถึงเป็นสัมผัสแต่เราก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงนะบางทีก็เรียกสัมผัสไปเลยเพราะว่ามันก็คือที่ยึดนี่การทําใจเป็นกลางกลางโดยปกติแล้วมันจะต้องอารมณ์ในอดีตคือเราไม่มีความรู้สึกเด่นในอดีตด้วยความรักและโดยความชจงในอดีต เพรเวลาสอนระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอินทรีย์สองวัวอินทรีย์สองวัจะเป็นเรื่องใหญ่มากที่คนได้ไยุ่งเนี่ยฮะยุ่งเพราะอินทรีย์สองวัวเนี่ยคือไม่สำรวจระหว่างอินทรีย์อย่างที่ท่านเล่าอนิยายนะนิยายถ้าเรามองในแง่ของธรรมะ ก, ก็คือ น, นั่นก็คือการไม่สำรวจอินทรีย์เรามียักต้นหนึ่งมาจับคนไปกิน คนก็ต้องหนีหวาดกลัวก็ไปอยู่ในเมืองใหญ่กำแพงมีคนหนึ่งศึกษาเห็นว่ามันมีวิธีที่จะทำลายยักษ์ตนนี้ได้ว่า้คนไปสืบดูว่าตอนไหนที่ยักษ์ออกจากเมืองไปพอยักษ์ออกจากเมืองแกก็เข้าไปนะปิดประตูหมดไม่ใช่เมืองเราที่อยู่ปิดประตูหมดแกก็ไปเผาเหล็ก ก็สูบเครื่องสูบหรือดังพืชพาดพืชพาดพืชพาดสูบอยู่ตลอดควันเขาโม่งไปหมดเลยแล้วก็เจาะรูเอาไว้ทําเสียงดังส่งเสียงดังยาก็กลัวเกิดสงสัยก็ขูสารพัดนะต้องการดูหดนวดในทรงเชื่อกให้ดูเลยแล้วก็ ถามว่าเสียงอะไรว่าเสียงหายใจไม่หายใจขนาดนาั้นมันแสดงตัวใหญ่มากระยะ ก, ก็กลัวเร่ๆในที่สุก็ขอดูตัวหน่อยแกไ้ดูทางช่องนั่นนะและ้วแกก็เอาเหล็กที่แกเผาไวนะ้น่ะแทงลงไปก็ตาบอดแล้วข้าอยากตายได้อันนี้คือคือการอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องและในที่สุดมันก็เข้าไปสู่กระบวนการรักชัง เพราะสมมติว่าเราเรารับประทานอาหารมันก็เกิดความชอบความไม่ชอบดมอะไรสักอย่างก็เกิดความชอบความไม่ชอบแล้วก็จับต้องอะไรสักอย่างก็เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเห็นไมมันมันมันเห็นอะไรสักอย่างก็เกิดชอบไม่ชอบฟังอะไรสักอย่างก็เกิดชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยไอเฉยเฉยมันไม่ค่อยมีซะด้วยจีถ้าในกรณีนั้นถ้าในกรณีที่เราอยากดูกับอยาก อยากดูอยากฟังอยากดมอยากกลิ้มอยากจยับต้องนะคพอหะัต้องค้าจริงเนี่ยมันก็เกิดคําชอบไม่ชอบขึ้นมาหรือส่วนใหญ่มันมักจะชอบแต่การทําใจเป็นกลางจึงเป็นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยเบขาหมายความว่าไม่เกิดความยินดียินด้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆเจ้าทำมาทาได้ไหมก็ทําได้ ได้ยินก็สักไตว่าได้ยินเยอะเสียงที่เราได้ยินในเราเฉยๆเนี่ยอย่างเชนคนบางคนบ้านก็อยู่ริมถนนเนี่ยได้ยินเสียงเยอะรถวุ่นวายได้เฉยๆอยู่เฉยๆก็ไปบรรยายอบรมพระที่วัดประสีมาธาบ้างก่อนวอนนี้ห้องก็ติดแอร์เราไม่ค่อยได้ยินเครื่องบิน ออกมาข้างนอกโอ้โหเครื่องบินเยอะจังแต่ว่าถามราี่อยู่ที่นั้นถ้า ก, ก็เฉยเฉยท่านก็คุ้นไปแล้วแต่นึกว่าสมุทรจักรบรรยายข้างนอกจริงๆนะโดยห้องไม่ติดแอร์แล้วคงต้องหยุดบ่อยคือไม่ได้ยินเลยเวลาเขาผ่านบานเนี่ยเสียงจะไม่ได้ยินเนี่ยแต่ท่านเหล่านั้นท่านก็พูดกันได้ท่านคุ้นแลานอยู่จนชิน เหมือนกับคนมีบ้านอยู่ริมรถไฟเห็นหก็มีเสียงดังตลอดแล้วบางคนนอนไม่หลับด้วยนะถ้าไม่มีเสียงเคยเจอเด็กที่บางลาพูนี่แกเข้ามานอนกับเพื่อนกะที่วัดเย่ายนี่กลับกลางดึกบอกเพื่อนมานอนไม่หลับมันเงียบอย่างไงชอบกด น, นั่นแสดงว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยความไม่ยินดีไม่ยินรายก็มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยความเคยชินกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาน เันเวลาเกิดรักชังเนี่ยแสดงไม่ใช่รู้สึกธรรมดาแะแต่ถ้าเรามองในแง่ธรรมดาเนี่ยเช่นสมมติว่าเห็นไหมคนตายสัตว์ตายต้นไม้หักโคนมีข่าวคราวเรือล่มเรือจมเ <c oughs> ครื่องบินตกเราก็เฉยๆอาจจะสืบข่าวดูว่ามีติดคนไทยอยู่บ้างหรือเปล่าพอไม่ติคนไทยก็เฉยละ เราตัดติคนไทยมันต้องถามว่าเป็นใครนามสกุลอะไรเกิดสงสัยคืออยากรู้นะอยากรู้ว่าเป็นญาติพี่น้องเราหรือไม่แต่พอแน่ใจว่าไม่ใช่อย่างนี้ยญาติพี่น้องมันก็เฉย อ, อีกอแต่อาจจะติดตามอยู่บ้างเพราะลักษณะการทําใจอย่างเนี้เวคขาจึงมีลักษณะของปัญญาคือหมายความว่า รู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งสัมผัสบางครั้งยินดีไปก็เท่านั้นน่ะไม่เกิดอะไรยินร้ายไปก็เท่านั้นไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ทําได้อยู่แล้วนะะคนตายสัตว์ตายนีย่เยอะเรื่องตายเรื่องพัดแรกเรื่องสูญเสียเรื่อง เ, อเกิดภัยยุ่อะไรแต่ละจริงๆมันควรยินดียินร้ายทั้งนั้น <c oughs> มีคนยินดียินร้ายทั้งนั้น แต่เราไม่มีความรู้สึกผูกพันเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเกี่ยวข้องกับเราความยินดีนยินร้ายจึงไม่เกิดแต่นั้นพอเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่คนซึ่งเรารักเราชังเนี่ย <c oughs> มันจะเห็นทันทีเลยว่าเช่นสมมติว่าคนที่เรารักตายใจมันไม่เป็นกลางนะจะเกิดความโศกเพราะอะไรเพราะว่าใจมัน พอใจรักเขายินดีต่อเขามาก่อนแล้วก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นการไม่เข้าถึงคติของธรรมดาว่าถ้าคนไหนก็ตามที่เรารักแล้วไม่ตายหรือเราเองไม่ตายหรือก็เปล่าก็แสดงว่าตรงนั้นเน่ยมันไม่มีเหตุผลในการคิดว่าถ้าคนไหนที่เรารักไม่ต้องตายเราก็รักคนทั้งหมดทั้งโลกเลยก็ไม่ต้องตาย เราเองก็ไปต่างๆแต่ก็เปล่าทำอะไรไม่ได้ดังนั้น จ, จึงแสดงให้เห็นว่าเวลาเาเกิดความรักขึ้นมาในเหตุผลมันหายไปเยอะเพราะเป็นอาการของลาคา้าอาการของโลภะเนี่ยจะไม่มีเหตุผลพอถึงจุดหนึ่งแล้วหน้ามืดไปเลยคือพูดไม่รู้เรื่องไปเลยไม่ว่าจะเป็นราค้าหรือเป็นโลภะก็ตามเพราะตัวเนี้เป็นจุดอ่อนของสัตว์โลก ที่กลายเป็นเหยื่อของโลกได้ตลอดคือล่อให้โลภหรือว่าย่วยเกิด ค, ความกำหนัดเนี่ยมันจะตกเป็นเครื่องมือได้ตลอดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น น, นนะทีนี้สมมติว่าคนที่เราเราไม่ชอบนะเกิดตายมันจะเกิดเป็นดีใจ นั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าภายในใจเรามีความเบียดเบียนมีความมาฆ่าปยปายต่อการเน้นความปิบัติเดือดร้อนของคนเหล่านั้นแต่ถ้าก็มีปัญญาขึ้นมาหน่อยถามดูมันได้อะไรขึ้นมาคือก็ตายเท่าที่เขาตายนะเราดีใจฉลองสักเจ็ดวันแล้เขาก็กตายเท่านั้นนะนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าพอปัญญาเข้าแล้วมันจะหยุดความคิดตรงนี้ได้อุเบคาจิงเป็นลนักษณะเขาเรียกเพ่งดู เพ่งดูแล้วเห็นว่ามันไม่ได้ไประโยชน์ยังมองในกระบวนการกลับเนี่ยอยัยจะยกตัวอย่างให้ฟังหลายวันมาแล้วนะที่ว่ามันเหมือนกับญาติของเราสมมุติว่าญาติของเราไปฆ่าคนตายเอาลูกของเราก็ได้น้องของเราก็ได้พ่อของเราก็ได้ไปฆ่าคนตายเห็นจะจะเราเห็นด้วยฮะ แ, แต่ตำรวจเขาจับออาสมมุติว่าเราจะเอีงจะเข้าไปช่วย มันก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและจะไปซ้ําเติมมันก็ไม่ได้อ่ะยังไงท่านก็เป็นพออย่างไรเขาเป็นน้องอย่างไรก็เป็นเพื่อนเราก็ต้องเฉยๆให้เป็นไปตามกระบวนการของกรรมแน่นอนในบางจุดเนี่ยเราช่วยได้ไปเยี่ยมไปเยือนอะไรปกติธรรมดานี่ได้แต่ไปแก้ความผิดได้เป็นความถูกไม่ได้ ทิ้งลักษณะเหล่านี้มันมันก่อนก็ไปไปชุมปรวจตรวจงานวิจัยเรื่องประเวศสันดรก็เรื่องก็ไปไม่ค่อยได้ ร, ไร้รอยเท่ไรเลยก็บอกเขาก็อยากให้วิจัยเนี่ยมันสะท้อนภาพของทุกเรื่องในประเวศสันดร อ, ออกมาเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีของกรรมเป็นวิถีของสังคมเป็นวิถีทางการเมืองเป็นรายยะสารพัดนลย คือเรานำมาศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วจะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเป็นหลักธรรมเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความมาสอนให้เรารู้ทำให้เราดูพูดให้เราฟังแล้วครองชีวิตเราเห็นเป็นแบบคือธรรมะที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดล้วก็เลยยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าคือลองสังเกตว่าจริงๆไงเนี่ยกระบวนการที่มันปลุกระดมขึ้นมาเพื่อขับไล่ประเวสสนดรเนี่ย มันเป็นการสะท้อนภาพสังคมแห่งยุคสมัยเพราะไรเพราะช้างปัจจยนาคเนี่ยช้างปัจจยนาคเขตเนี่ยมันเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านก็จะให้ท่านก็มีสิทธิ์ให้ทำไมชาวบ้านจะต้องไปโกรธเกลี้ยวอะไรแล้วลูกเป็นชา้ิรองท่าให้มากกว่านั้นทำไมไม่โกรธเกลี้ยวอะไนั่นคือแสดงว่าสังคมผอใช้อารมณ์ขึ้นมา ก็ไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่เคารพสิทธิของบุคคลื่นแต่กรดีหน่อยนะฮะที่แกไม่ถึงกับให้ค่าเราเบจันร์ก็เพียงแต่ให้ค่าประโยชนเขาวงกนจะบอกเน่ที่จริงคือมอบเพอามอบแล้วมันไม่มีเหตุผลคนจะไม่ได้เข้าใจคิดตัวอมันเรื่องอะไรละช้างนั้นเป็นช้างส่วนตัวของท่านเกิดมาในโรงช้างของท่าน แล้วก็พร้อมกับท่านประสูุเกาเรียกช้างคู่บุญบา ร, รมีของท่านน่ะนี่คือคือคือคือเราจะเห็นลนักษณะอย่างหนึ่งว่าสังคมมันเป็นอย่างนั้นเลยตัวคนเกาะกลุงมกันมากแล้วเนี่ยจะไม่มีเหตุผลเพราะจะเลื่อนไหลไปตามคนที่คุมเกมของการปลุกระดมแม้แต่เการณ์ในบ้านในเมืองเราลองสังเกต่ะถ้าเราอ่านเอกสารศึกษาติดตามใยความเป็นธรรมเราอยู่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง เราะเนว่าไม่มีเหตุผลแต่ตามปกติแล้วฝ่ายอำนาจรัฐที่เขาทำาำกฎหมายเนี่ยเขาไม่่อยออกพูดจาที่แจงอะไรผู้ที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองก่อการจราจนเนี่ยมักจะพูดแล้วก็พูดจนจนคนรุ่นหลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ถูกต้องนะสุดจริตเป็นวีรชนกันไปเลยปกติธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้ทุกทีแต่ตรงไหนก็ได้นะ และเราจะเห็นว่าประคนกลุ่มหนึ่งอย่างพวกเจ้าปราจ็ตตราทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าที่จริงถ้าก็มวลชุดม า, า, ศ า, ศ า, ศาสารเหมือนกันไม่ต้องการเราไปสนนนเข้าไปบวชแต่ว่าเป็นคนที่มีการศึกษามีเหตุมีผลพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆและในสุดท่านทําใจเป็นกลางได้ก็ไปปล่อยไปตามพระประสงค์ของ เวสซันดอรแล้วก็ไปเจ้ากรุงสุนชัยพร้วก็ยังนั่งนึงนกๆอยู่ว่าเรื่องเหล่านี้ยที่จริงถ้าเขียนออกมาเป็นรูปบรรณคดีวิจารณ์แล้วก็<ม>ดึงออกมาเป็นประเด็นประเด็นประเด็นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาตื่นเต้นนะตื่นเต้นเราหลายเรื่องแล้วกันแต่ว่าเราไม่ได้มองในแนวตรงนั้นว่ามันจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมด ถ้าว่าเราศึกษาคนควายให้ดีแล้วก็ประเด็นเราอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะเราจะจ ะ, จะลองลองสังเกตดูว่าอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างเอา้าอย่างพวกอนางพรามณีทั้งหลายที่ไปรังแกนางพิธิดาเนี่ยนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงว่าใจมันเกิดความริษยาทิยาแข่งดีมันก็เกิดความยินร้ายนะฮะ เออแทนที่จะปรับตัวเองให้เป็นพันญาที่ดีเยี่ยงนางมิจดาไม่เอาจะต้องการกดเพื่อนลงให้เหมือนกับตัวเองนั่นคือเป็นวิถีสังคมคนเวลาริษยาเนี่ยแทนที่จะเพราะเราริษยาคนได้ดีไม่ใช่ริษยาคนชั่วาะคนโรคเอกคนเป็นขี้เรื่นกุดถังไม่มีใครกรฤิ์ยาหรอกคนติดยาเสพติดอะไรไม่มีใครริษยา คุณศิษยาคนดีเลยนะั้นแต่ว่าแทนที่เราจะเอาเป็นแบบหรือเฉยๆให้ซสไม่เอาต้องการจะกดเขาให้มาอยู่เท่ากับเราหรือต่ำกว่าเราเขาได้ลาบไม่ต้องการให้เขาได้เขาได้ยศไม่ต้องการให้เขาได้เขาได้รับการสรรเสริญไม่ต้องการให้เขาได้ถามว่าต้องการให้ใครได้ล่ะเราต้องการได้เสเองเราสังเกตดูนะเราต้องการได้เสเอง นั่นนั่นคืออะไรคือใจไม่เด็กไม่ได้มองในแง่กระบวนการของกรรมถ้าเรามองในแง่กระบวนการของกรรมเราก็ทําใจให้หมุติตาหรือทําไม่ได้นะฮะก็อุเบคาเสะไม่มีอะไรขาดทุนแต่ตามปกติแล้วคนก็จะหาเรื่องตัวเอกขาดทุนอยู่เนี่ยข่าวคราวต่งตางๆที่เกี่ยวกับความไม่ดีของบุคคลอื่นเนี่ยต้องขอโดยโดยสารทําให้ดีด้วยอะไรกัน ขอด่าด้วยขอวิพากษ์วิจาร์ด้วยแล้วก็ส่วนมากแจ็กมักจะลามปามไปเรื่อยๆนั่นคือจิตที่ไม่เข้าถึงกระบวนการของกรรมเพราะในเรื่องอุเบกขากับกรรมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกันหมายความว่าเราเข้าใจกฎของกรรมได้เนี่ยเราก็าจะอุเบกขาได้หรือไม่อคติได้เนี่ยแสดงว่าเราอุเบกขาได้หรือเราเบกขาได้เราก็ไม่อคติแล้วเราก็แสดง ว, ว่าเราเข้าใจถึงกระบวนการของกรรม